เจกรู่กกำลติดตามข่าวตามประเทศค่ะนี่ลูกจา้างที่บ้านเธอได้ขึ้นทะเบียนที่ one stop service หรือเปล่าอืมใช่ได้บัตรสีชมพูมาแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจสัญชาติเลยงั้นเธอรีบติดต่อกลมการจัดหางานด่วนเลย ใช่ครับวันนี้นายจ้างยื่นแบบบัญชีรายชื่อโดยด่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทางเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่31มีนาคม2558จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างปัจจุบันเราผลิตไฟฟ้าจากน้ำาเผลิตเต็มที่แล้วก๊าสธรรมชาติ66เเเกือบครึ่งต้องนาเขา้าแสงอาทิตย์ปเซ ฐานหิน 18% ผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดต้นทุนถูก